แก่ภิกษณีผู้มีพันษาครบสิบสองแล้วภิกษุทั้งหลายทรงพึงให้วุ ธ, ธาปณะสมมุติอย่างนี้